วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบสามพฤศจิกายนพุทธศักราชสอง7ันห้า้กสิเจ็ดเป็นวันพระวันธรรมสวนะเป็นวันมงคลเพราะว่าเป็นวันที่สาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรม ได้หยุดการภารกิจการทำงานทำการการทำมาการทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลประชนิดต่างๆเพื่อมากระทำสิ่งที่เป็นมงคลแก่จิตใจของตน ก็สิ่งที่ชาวพุทธเราจะมาทำกันในวันพระนี้ที่เป็นมงคล น, นี้ก็คือการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงจัดว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งก็คือบูชาจัปูชนียานังเอตัมมังกละลมุตตะมัง <c oughs> การบูชา บุคคลที่สมควรต่อการบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมงคลก็คือเป็นความสุขความเจริญแก่ชีวิตจิตใ จ, จของตนบุคคลในพระพุทธศาสนาที่เป็นบุคคลที่สมควรต่อการบูชาอย่างยิ่งก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรม พระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ผู้เป็นบุคคลที่ประเสริฐบุคคลที่เหนือกว่า บ, บุคคลธรรมดาทั่วๆไปเพราะเป็นบุคคลที่สามารถกระทำจิตใจของตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ mm. การบูชาบุคคลเหล่านี้ ก็จะทำให้ผู้บูชาได้รับประโยชน์ก็คือได้รับการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆจึงถือว่าเป็นการบูชาที่เป็นมงคลอย่างยิ่ง<ม>การบูชาที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนานี้ก็มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่า อามิสบูชาคือบูชาด้วยการถวายเข้าของเงินทองเครื่องสักการะต่างๆเรียกว่าอามิสสบูชาและระดับที่สองก็คือปฏิบัติบูชาอันนี้บูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติชําระจิตใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ สราสจากความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปจิตใจจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือการบูชาในพระพุทธศาสนาที่เป็นมงคลอย่างยิ่งที่ชาวพุทธเรา ได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องทุกยุคทุกสมัยตามกำลังของแต่ละบุคคลที่จะปฏิบัติว่าจะปฏิบัติได้ในระดับไหนส่วนใหญ่เราก็จะปฏิบัติในระดับแรกกันก่อนคือระดับทาน อ, อามิสบูชาก็คือการทาบุญทำทานทนี่ควบคู่ไปกับการรักษาศีลห้า อันนี้เป็นการบูชาที่ง่ายกว่าการปฏิบัติบูบชาที่จาเป็นที่จะต้องมีการรักษาศีลแปดขึ้นไปและมีการไปปีกวิเวกไปหาสถานที่สงบสงัดเพื่อบําเพญจิตตภาวนาที่เป็นเครื่องมือของการชำระสรพอกจิตใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ดังนั้นใครมีความสามารถที่จะบูชาแบบไหนก็บูชาไปตามกำลังของตนก่อนถ้าบูชาได้เพียงแต่อามิสบูชาก็ทำการอามิสอามิสบูชาไปก่อนแล้วค่อยขยับขึ้นไปสู่การปฏิบัติบูบชา อุทธเจ้าทรงสอนให้เราทําอมิสตบูชาในวันที่เราต้องไปทํางานทําการทําธุระอะไรต่างๆอย่างน้อยก็ให้มีการทําบุญทําทานให้มีการรักษาศีลห้าควบคู่ไปกับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องส่วนวันพระเช่นวันนี้ก็ให้หยุดภารกิจการงานต่างๆ เพื่อที่จะเอาเวลามาทำการปฏิบัติบูชาหรือมาถือศีลแตน 8, แล้วก็มาหาที่สงบสงัดวิเวคที่ไม่ต้องไปทำกิจกรรมอะไรกับใครเพื่อที่จะได้เอาเวลามาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิ และเจริญปัญญาเพื่อจะได้ซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อให้จิตใจอยู่อย่างปราศจากความทุกข์ตามลำดับต่อไปอามิสบูชานี้ก็คือการเสียสละทรัพย์สินของเราให้กับพระพุทธศาสนาเช่น ทำรูปบำนุงพระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆเช่นทำบุญใส่บาตรแล้วก็ด้วยว่าจะถวายสังฆทานถวายผ้าป่าถวายภ้ากฐถินถวายคุตติถวายศาลาถวายโบสถ์ถวายเจดีย์ถวายพระพุทธรูปต่างๆ สวายพื้นที่ที่ดินเพื่อสร้างวัดเป็นต้นเหล่านี้เรียกว่าเป็นอามิสบูชาเป็นการทานุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับโลกนี้ไปนานๆเพราะการที่พระพุทธศาสนาจะทาหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ก็จำเป็นที่จะต้องมีปัจจัยต่างๆเช่นปัจจัยสี่ สำหรับเรียงดูพระภิกษุและสามเณรผู้ที่มาบวชในพระพุทธศาสนาจะได้ไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องการทามาหากินเพื่อที่จะได้เอาเวลามาให้กับการศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนาเอาคำสั่งคำสอนที่ได้ศึกษานี้ ไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลขึ้นมาตามกำลังของการปฏิบัติการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยถาวรละวัตถุ ด, ด้วยจตุปัจจัยทายทานต่างๆจึงเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งในการที่จะทานุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับโลกนี้ไปนานๆ พระผู้ที่จะมาสืบทอดพระธรรมคำสั่งคำสอนนันประเสริฐของพระพุทธเจ้าก็คือพระภิกษุสมมามเณรที่มาบวชนิคนั่นเองเพราะว่าเมื่อมีพระภิกษุมีสมมามเณรมาบวชก็จะมีการศึกษาลรํ่เรียนคำสั่งคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าแล้วหลังจากที่ได้ศึกษาแล้วก็นำาเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษานี้ ไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ<ม>ไปเป็นพระสุปฏิปโน<ม>พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆประการถ้าสามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มร้อย<ม>เรียกว่าสุปฏิปโน<ม>ปฏิบัติดีถ้าเป็นนักเรียนก็ได้เกร<ม>ดหนึ่งได้เกรดสี่ขึ้นไป แล้วก็พอได้เกสีก็จะได้บรรลุถึงทำขั้นต่างๆได้ขั้นแรกก็ขั้นโสดาบันขั้นที่สองก็ขั้นสกิทาคามีขั้นที่สามก็อนาคามีขั้นที่สี่ก็อรหันต์อันนี้เป็นขั้นของการหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆตามกำลังของการปฏิบัติ ศีลสมาธิปัญญาที่เป็นเครื่องมือในการกำจัดตัณหาความอยากหรือเรียกว่าสังโยชนให้หมดไปจากใจสังโยช น, นี้เป็นเหตุที่ทำให้จิตใจนี้ต้องติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดสังโยช น, นี้ก็คือกิเลสตัณหาในระดับสูงนั่นเอง เรามักจะเรียกกิเลสตันหาที่อยู่ในระดับของการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลนี่เรียกว่าสังโยชน์มีอยู่สิบชนิดด้วยกันสังโยชน์ข้อที่หนึ่งก็คือสักกายทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบคือความเห็นว่าร่างกายตัวเราเป็นตัวเราของเราเป็นต้น ความจริงแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของธรรมชาติรรมาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟอยู่ในโลานี้ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะกลับคืนสู่ธาตุสี่ร่างกายของคนตายไปก็จะย่อยสลายไปกลับคืนสู่ ธาตุทั้งสี่ธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็กลับไปสู่ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็จะแยกออกจากร่างกายไปร่างกายก็จะหายไปแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติก็จะถูกกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาหลอกให้ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราผู้ที่หลอกก็คือ กิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาที่มีอยู่ในจิตใจจิตใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายร่างกายนี้เป็นสมบัติชั่วคราวของจิตใจที่จิตใจมาครอบครองในตอนที่มีการตั้งทันอยู่ในท้องของมารดาแต่จิตใจนี้เป็นจิตใจที่ไม่ฉลาดจิตใจที่ไม่รู้ความจริง ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นจิตใจแต่เมื่อจิตใจมาครอบครองร่างกายมาใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆก็เลยไปคิดว่าเป็นจิตใจเป็นร่างกายไปร่างกายเป็นจิตใจไปแต่ความจริงแล้วร่างกายนี้เป็น <c oughs> เป็นสิ่งที่ทำขึ้นจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่ผลิตอยู่ในท้องของมารดาของแม่อยู่เก้าเดือน พออยู่ได้เ้าเดือนร่างกายก็สมบูรณ์พร้อมที่จะคลอดออกมาจิตใจที่ส่งกระแสของวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้นกายของร่างกายก็คลอดออกมาพร้อมๆกับร่างกายก็เลยคิดว่าจิตใจเป็นร่างกายไปเพราะจิตใจเป็นส่วนที่คิดได้ที่รู้ได้ ส่วนร่างกายนี้เขาคิดไม่ได้เขารู้ไม่ได้ถ้าร่างกายเขาคิดได้เขารู้ได้เขากขาคงจะมาแย้งว่าเราไม่ได้เป็นจิตใจนะเราเป็นร่างกายเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำล ม, มไฟเป็นอาการสาสสองแต่เนื่องจากร่างกายนี้ไม่สามารถคิดไม่สามารถรู้ไม่มีความสามารถที่จะรู้จะคิดก็เลยไม่มีการมามาแย้งความคิดความรู้ของจิตใจ ที่หลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นจิตใจพอจิตใจนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายแล้วพอได้มาครอบครองร่างกายก็เลยไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นจิตใจแต่ความจริงแล้วร่างกายก็เป็นร่างกายจิตใจก็เป็นจิตใจเป็นคนสองคนเปรียบเทียบก็เหมือนกับฝาแฝดะ มีแฝดที่มีแฝดน้องจิตใจนี้ก็เป็นแฝดพี่ร่างกายนี้เป็นแฝดน้องเพราะอะไรเพราะแฝดพี่เป็นผู้เลี้ยงดูดูลแลแฝดน้องนั่นเองพอร่างกายออกมาจากท้องแม่แล้วก็เป็นหน้าที่ของจิตใจที่จะต้องเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่ต่อไปด้วยการเตมิมธาตุทั้งสีให้กับร่างกายอย่างต่อเนื่องเช่น ออกจากท้องแม่มาจิตใจก็ต้องสั่งให้ร่างกายหายใจเอาธาตุธาตุลมเข้ามาเพราะถ้าร่างกายขาดธาตุลมเมื่อไหร่ก็จะถึงแก่ความตายทันทีก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการหายใจตอนที่อยู่ในท้องแม่นี้ไม่ต้องหายใจอาศัยลมหายใจของของแม่หล่อเลี้ยงร่างกายไปอาศัยธาตุสีของแม่ ธาตุาลมธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินเราเลี้ยงร่างกายไปแต่พอออกมาจากท้องแม่แล้วก็กลายเป็นหน้าที่ของจิตใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายในการเลี้ยงดูร่างกายด้วยการเริ่มต้นที่ด้วยการสั่งให้ร่างกายหายใจเองแล้วก็เริ่มป้อนธาตุน้ำ ละท่าดินในรูปแบบของอาหารเหลวต่างๆน้ำต่างๆแล้วก็ทาาไฟก็ได้จากความร้อนของของดวงดวงอาทิตย์หรือของเสื้อผ้าที่สวมใส่ไว้ปกปิดไม่ให้ทาาไฟที่มีในร่างกายหายไปนี่ก็เป็นหน้าที่ของทาารู้คือใจผู้รู้ผู้คิด ที่ต้องทำหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายจึงถือว่าเป็นแฝดที่เป็นผู้ที่จะต้องเลี้ยงดูแฝดน้องคือร่างกายตั้งแต่วันที่คลอดออกมาจากท้องแม่เลยโดยในเบื้องต้นก็สายพ่อแม่เป็นผู้ช่วยทำให้ก่อนอเพราะว่าร่างกายยังเล็กยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ด้วยตนเองอถึงแม้จะมีใจเป็นผู้คอยสั่งการ แต่สั่งไปร่างกายที่ยังเป็นเด็กทาลูกอยู่นี้ยังไม่สามารถที่จะหาธาตุสีให้กับร่างกายได้อย่างต่อเนื่องก็เลยอาศัยพระคุณของบิดามารดาผู้ที่มีพวาเมตตาต่อลูกๆได้ใช้ได้เสียสละทรัพย์สินสมบัติเก้าของเงินทองต่างๆเพื่อเลี้ยงดูร่างกาย ของลูกให้ค่อยๆเจริญเติบโ ต, ต, ตขึ้นไปตามลําดับจนโตเป็นผู้ใหญ่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้แล้วก็จึงถือว่าหมดภาระของพ่อแม่ไปแต่จิตใจก็ต้องทําหน้าที่คอยพาร่างกายนี้ไปเติมธาตุสี่เรื่อยๆต้องคอยสั่งให้ร่างกายหายใจอยูเรื่อยๆถ้าขาดน้ําธาตุน้ําก็สั่งให้ ไปหาธาตาน้ำมาดืม่มธาตุาดินคืออาหารก็สั่งให้ไปหาอาหารมารับประท า, า, ทานธาตุธาตุไฟก็ให้ไปหาที่อบอุ่นอย่าไปอยู่ที่หนาวเย็นจัดเกินไปเพราะถ้าธาตุไฟอ่อนลงก็อาจจะทำให้ร่างกายไม่สามารถอยู่ต่อไปได้จิตใจก็จะมีหน้าที่คอยเติมคอย คอยบอกให้ร่างกายไปเติมทาสี่ตลอดเวลาจนถึงวันที่ร่างกายไม่สามารถทำตามคําสั่งของใจได้แล้วคือไม่สามารถหายใจได้แล้วหมดแรงเนื่องจากเมื่ออยู่ไปนานๆอวัยวะต่างๆของในร่างกายก็เสื่อมโทรมไปตามการตามเวลาปลอดหัวใจที่เคยทำงานก็จะเริ่ม อ่อนลงเรีแรงของอวัยวะต่างๆก็จะอ่อนลงอ่อนลงจนในที่สุดก็จะไม่มีกำลังที่จะหายใจได้พอไม่มีการหายใจก็จะไม่มีการเคลื่อนไหวการกระทำต่างๆของร่างกายต่อไปไม่สามารถเติมธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเข้าไปในร่างกายอีกร่างกายก็ถึงแก่ วันสิ้นสุดแล้วก็เริ่มย่อยสลายแยกแยกธาตุแทกธาตุธาตุต่างๆที่อยู่ในร่างกายก็แยกออกจากกันไปธาตุไฟธาตุลมก็ไปก่อนลมไม่เข้ามีแต่ลมออกแล้วก็ตามไปด้วยธาตุไฟร่างกายก็เริ่มเย็นลงแล้วก็ตามด้วยธาตุน้าที่จะแยกออกจากธาตุดิน พอธาตุน้ำออกจากธาตุดินหมดก็เหลือแต่ธาตุดินก็คืออวัยวะต่างๆก็จะแห้งกรอบกระดูกต่างๆก็จะเหลือแต่โครงกระดูกแล้วถ้าทิ้งไปปล่อยไปเรื่อยๆต่อไปก็จะผุพังกลายเป็นดินไปลายเป็นธาตุดินไปนี่คือความจริงของร่างกายที่ถ้าไม่ได้ศึกษา ไม่ได้เรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะหลงไปคิดว่าเป็นจิตใจจิตใจจะหลงไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกายร่างกายเป็นจิตใจแต่ความจริงแล้วเป็นเป็นคนละคนกันมาร่วมกันเหมือนกับเป็นมาเป็นครอบครัวเป็นสามีภรรยากันมาทำภารกิจร่วมกันเพราะจิตใจนี้ต้องอาศัยร่างกาย เป็นเครื่องมือในการหาความสุขที่จิตใจต้องการจิตใจนี้ต้องการความสุขจากการได้เสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผดถะพระชนิดต่างๆเวลาได้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกใจก็จะเกิดสุขเวทนา<อ>เกิดความสุขขึ้นมาก็เลยทำให้ติดอยากจะเสพอยู่เรื่อยเนื่องจากว่า รูปเสียงกลิ่นรสผลพธพาที่ได้เสพนี้เป็นความสุขแบบชั่วคราวคือไม่สามารถให้ความสุขแบบยั่งยืนถาวรได้ได้ความสุขในชั่วขณะที่ได้เสพได้ดูภาพได้ดูรูปที่ถูกใจก็มีความสุขแต่พอรูปที่ได้ดูนั้นหมดไปห ร, หรือถ้าดูไป น, นานๆก็ความสุขที่ได้ก็อาจจะเปลี่ยนไป เพราะเมื่อดูบ่อยๆเข้าจนเคยชินก็จะเกิดความเบื่อขึ้นมาได้ความสุขที่ได้จากการเห็นรูปที่ที่ให้ความสุขก็จะหายไปความสุขของรูปเสียงกิจนรสพธถ้าเป็นแบบนี้เป็นความสุขชั่วคราวก็เลยต้องคอยหามาเติมอยู่เรื่อยพอได้รูปเสียงกิ่นรสพงถภชุดนี้แล้ว พอเบื่อก็เปลี่ยนไปหารูปเสียงกิ่นรลดชนิดใหม่ต่อไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆนี่คือความสิ่งที่จิตใจต้องมีร่างกายอาศัยร่างกายก็เพราะว่าจิตใจนี้มีตัณหาความอยากกามะตัณหาความอยากที่จะหาความสุขอยากรูปเสียงกิรลดผลทพะกามะแปลว่ากามคุณห้า กามาคุณห้าก็ได้แก่รูปเสียงกิริยลดผลตภะตันหาก็คือความอยากตารอยากเซล ร, รูปเสียงกิริยลดผลตภะก็คือการมตันหาในภายในจิตใจของของทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้ล้วนมีกามตันหาด้วยกันทุกคนจึงต้องมีร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดถะนั่นเองเพราะถ้าจิตใจเพราะจิตใจเองไม่มีรูปไม่มีตาหูจมูกิกือกายที่จะที่จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาะได้จึงจําเป็นที่จะต้องมีร่างกาย mm. ในขณะที่จิตใจไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าเป็นดวงวิญญาณ mm. เช่นจิตใจที่แยกออกจากร่างกายในชาติก่อน ชาติก่อนมีร่างกายแต่ร่างกายในชาติก่อนก็ต้องถึงเวลาที่จะต้องมีการสิ้นสุดลงคือพอร่างกายของชาติก่อนตายไปจิตใจที่อยู่กับร่างกายนั้นก็ก็ต้องอยู่แบบไม่มีไม่มีร่างกายเหมือนกลายเป็นคนที่อย่าร่างกันสามีภรรยาเวลาอยู่ด้วยกันก็ทำกิจกรรมร่วมกัน พอเลิกกันยาล้างกันไปก็ต้องอยู่ตามลำพังตัวใครตัวมันจิตใจเมื่อไม่มีร่างกายก็อยู่ในสภาพของดวงวิญญาณในช่วงนั้นก็อาศัยบุญมือบาปที่ได้ทำไว้เป็นเครื่องมือในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆถ้าเป็นอนิสง์ของบุญได้ทำบุญไม่มากกว่าทำบาป บุญก็จะให้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ที่มีแต่เป็นมีแต่เป็นเป็นความสุขเป็นสุขรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ชนิดที่เป็นสุขแต่ถ้าเป็นกำลังถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะให้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์ที่เป็นทุกข์มีแต่เรื่องราววุ่นวายต่างๆมีแต่เรื่องราวที่สร้างความหิวโหยสร้างความหวาดกลัว สร้างความเครียดแค้นาคาดพยาบาทต่างๆขึ้นมาอันนี้ก็คือในรูปแบบของของรูปเสียงกินลถในขณะที่ไม่มีร่างกายดวงวิญญาณหรือดวงจิตจิตใจที่เป็นธาตุรู้นี้ก็จะเสด บ, บุญหรือเสด บ, บาปไปจนกว่าบุญหรือบาปที่ได้ทําไว้นั้นหมดกําลังลงก็จะมารอรับร่างกายอันใหม่ต่อไปร่างกายของ ของมนุษย์เพื่อที่จะได้เอาร่างกายของมนุษย์นี้มามาใช้เป็นเครื่องมือเพราะร่างกายนี้จะมีตาหูจมูกลิ้นกายอพอเกิดมาแล้วพอได้ร่างกายแล้วจิตใจของทุกคนที่มาเกิดก็จะมุ่งไปสู่การหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดภาพาชนิดต่างๆตั้งแต่เด็กเลยเด็กพอออกมาจากท้องแม่ก็ร้อง อยากจะเห็นหนู่นเห็นนี่อยากจะฟังนูน่นฟังนี่ถ้าอยู่เงียบๆไม่เห็นอะไรก็จะเหงาพ่อแม่ก็เลยต้องหาตุ๊กตาหาของเล่นมาให้พอได้ของเล่นได้ตุ๊กตาได้สัมผัสกับลูกเสียงกลิ่นรสก็เลยทาให้เพลิดเพลินก็ไม่ได้ร้องไห้งองแงแต่เวลาใดที่เบื่ออยากจะได้ของใหม่ก็จะร้องขึ้นมาใหม่พ่อแม่ก็ต้องคอยไปหาของแปลกๆใหม่ๆมา ให้เสพอยู่เรื่อยๆถ้าพอเริ่มโตขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองได้ก็เริ่มไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดสพัฒชนิดต่างๆมาเสพไปเรื่อยๆ เ, เสพไปเรื่อยๆเสพไปเท่าไหร่ปัญหาก็อ ย, อยู่ที่ว่ามันไม่ให้ความอิ่มไม่ให้ความพ อ, อเป็นความสุขชั่วประเดียวประดาเป็นความอิ่มชั่วประเดียวประดาเดี๋ยวสักสักพักเวลาผ่านไปความสุขนั้นก็จางหายไป ความหิวใหม่ก็ปรากฏขึ้นมาก็ต้องดิ้นรนไปหารูปเสียงกลิ่นรสอยู่เรื่อยๆช่วงไหนที่หาได้ก็มีความสุขช่วงไหนที่หาไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้คือเหตุที่พาให้ดวงวิญญาณหรือจิตใจของพวกเราทุกคนนี้มามีร่างกายกันมาครอบครองร่างกายกันก็เพราะในจิตใจของพวกเรานี้ยัง มีความอยากที่จะใช้ร่างกายใช้ตาหูจ ม, มูกลิ้นกายเมื่อเสพรูปเสียงกข่นรดกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองอถ้าไม่อยากจะมีร่างกายก็ต้องหยุดการเสบรูปเสียงกขีดลดผลทพะให้ได้เช่นพวกที่ไปถือศีลแต่นี่เขาคำนวณเป็นพวกที่พยายามที่จะเลิกเสบรูปเสียงกขีดลดผลทพะแล้วหาวิธี อยู่แบบมีความสุขอี ก, อ ก, อกรูปแบบหนึ่งด้วยการหาความสุขจากการทำจิตใจให้สงบที่เรียกว่าปฏิบัติจิตตะภาวนาทำจิตใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิพอเวลาจิตใจนิ่งสงบเป็นสมาธิแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่จะให้ความอิ่มความพอ เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะก็จะทำให้ถ้าสามารถปฏิบัติและสามารถมีความสุขกับความสงบไปได้เรื่อย ๆ, ๆก็สามารถที่จะปล่อยวางไม่ต้องมีร่างกายได้ไม่ต้องอยู่แบบมีร่างกายได้พอไม่อยู่ไม่ต้องอยู่แบบมีร่างกายได้ร่างกายจะเป็นอะไรใจก็จะไม่ทุกข์กับมัน สาเหตุที่ใจทุกกับร่างกายก็เพราะว่าใจยังต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองแต่พอได้มาฝึกสติฝึกสมาธิทาให้พบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็เลยไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปยึดติดกับร่างกายต่อไปเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายอีกแล้ว เราไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะเป็นจะตายก็จะไม่ทุกข์ประมาณ น, น, นี้ก็คือวิธีแก้สังโยชน์ข้อที่หนึ่ง mm hmm. ก็คือสกายาทิติ mm hmm. เราต้องศึกษาความจริงของร่างกาย mm hmm. ว่าเรากับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันเราเป็นธาตุรู้เป็นจิตใจเป็นดวงวิญญาณที่มาเกาะร่างกายที่ตาหูจมูกนิ้นกายของร่างกาย เพื่อที่จะได้เสพรูปเสียงกิ่ลรสผดสะพที่เข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกาย mm hmm. แต่ร่างกายนี้มันก็เป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงมันมีเกิดแล้วมันก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดา mm hmm. อันนี้เป็นกฎของธรรมชาติของร่างกายของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้ามีร่างกายแล้วร่างกายของทุกคนนี้ก็จะต้อง ต้องตายไปวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนถ้าเปรียบเทียบร่างกายก็เป็นเหมือนใบไม้บนต้นไม้ดีๆนี่ใบไม้ที่ออกที่โผล่ออกมาจากต้นไม้นี่มันก็อยู่กับต้นไม้ได้ชั่วระยะหนึ่งตอนต้นก็เป็นใบเล็กๆ เ, เป็นสีเขียวๆต่อไปก็โตขึ้นโตขึ้ น, นใหญ่ขึ้นแล้วต่อไปก็เริ่มแก่ลงเริ่มกลายเป็นสีน้ำตาลสีเหลืองสีน้าตาล แล้วในที่สุดมันก็จะหลุดออกจากต้นไม้ไปร่างกายของคนเราทุกคนก็แบบเป็นแบบเหมือนกับใบไม้ <Yeah. S 1> ให้เราพิจารณาใบไม้เป็นตัวอย่าง mm hmm. เพื่อเราจะได้เห็นความจริงของร่างกายร่ mm hmm. างกายเราตอนต้นออกมาจากท้องแม่ก็เป็นทารกเล็กๆ mm hmm. แล้วต่อมาก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กเล็กเด็กใหญ่เด็กโต mm hmm. เป็นผู้ใหญ่ mm hmm. เป็นผู้เฒ่าเป็นผู้แก่เป็นผู้เจ็บแล้วก็เป็นผู้ตายตามลำดับต่อไปอันนี้คือการศึกษาเรียกว่าปัญญาเพื่อที่เราจะไดะ้รู้ความจริงว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเราเพื่อที่เวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายตายใจเราจะได้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็จะตกใจกลัวกันเพราะเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเราเราก็จะคิดว่าเรา mm. เ, เราต้องแก่แนละ้วเราต้องเจ็บแนละ้วเดี๋ยวเราก็ต้องตายแนละ้ว mm. แต่ความจริงจิตใจนี่ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายจิตใจนี่แหละเป็นอมตะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนถาวรที่ไม่มีวันสูญสลายเพียง mm. แต่ว่าถูกอำนาจของโมหะอวิชชาความหลง ควมไม่รู้ความจริงหลอกให้มายึดมาติดกับร่างกายเนื่องจากมีความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขนั่นเองพอได้มาศึกษาพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนว่าการที่เราจะเลิกไม่ไปยึดไปติดกับร่างกายได้การที่เราจะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรานี้เราก็ต้องมีคนสอนก่อน คนที่จะสอนได้ก็คือพระพุทธพระพุทธเจ้าและพระอาหาันตสาวกเพราะท่านเหล่านี้ท่านได้ศึกษามาก่อนท่านในค้นคว้าด้วยความรู้ความฉลาดของท่าน<ช>ไม่มีใครรู้ได้ด้วยตนเองมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวที่สามารถรู้ว่าร่างกายนี้เป็นธาตุสีเป็นดินน้ำลมไฟไม่ได้เป็นจิตใจเพ<ช>ียง<ช>แต่ว่าจิตใจ ไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายก็เลยไปทุกข์กับร่างกายถ้าไม่อยากจะให้จิตใจทุกข์กับร่างกายก็ต้องศึกษาดูความจริงของร่างกายตามที่ได้อธิบายให้ฟังว่าที่มาที่ไปของร่างกายกับจิตใจนี้มาคนละที่กันร่างกายก็มาจากพ่อแม่ธาตุสี่ของพ่อแม่พอผสมกันรวมกันก็สร้างร่างกายขึ้นมาแล้วก็มีจิตใจที่เป็นธารู้เป็นดวงวิญญาณ ก็ส่งกระแสของของจิตใจมาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้นกาย mm hmm. เลยก็เลยทําให้คิดว่าเป็นคนคนเดียวกันคือคิดว่าจิตใจกับร่างกายเป็นคนเดียวกันแต่ความจริงเป็นคนสองคน mm hmm. อันนี้เป็นความรู้ที่เราจะต้องศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เ mm hmm. มื่อศึกษาแล้วเราก็ต้องไปพิสูจน์ด้วยการไปฝึกจิต จิตตภาวนาทําจิตใจให้สงบเพราะถ้าเราทําจิตใจให้สงบจิตใจกับร่างกายก็จะแยกออกจากการชั่วคราวเราก็จะได้รู้ว่า อ, อ๋อร่างกายเป็นอย่างหนึ่งจิตใจเป็นอีกอย่างร่างกายเป็นเหมือนท่านดินท่านน้าท่านนมท่านไฟส่วนจิตใจนี้เป็นผู้รู้ผู้คิดเป็นคนละส่วนกันอย่างแต่ว่ามาร่วมกันเหมือนกับสามีภรรยาม า, มาร่วม เรา่วมแต่งงานกันมาอยู่ร่วมกันแต่ความจริงเับเป็นคนสองคนไม่ใช่คนคนเดียวกันแล้วการที่เข้าสมาธิทําจิตใจให้สงบได้ก็จะทำให้เปลี่ยนวิธีหาความสุขได้แทนที่จะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขก็เปลี่ยนวิธีด้วยการหาความสุขจากการเข้าสมาธิแทนนั่งสมาธิทาจิตใจให้สงบพอจิตใจสงบก็จะเกิดความสุข ที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสที่ได้มาผ่านทางร่างกาย <ör> าก็จะทำให้ไม่ต้องอาศัยร่างกายต่อไปเมื่อไม่ต้องอาศัยร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อน <bol. S 2> เพราะเรามีสองอย่างด้วยกันหนึ่งเรารู้จักรู้จักพระพุทธเจ้าว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ ร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เกิดแล้วก็ต้องดับเป็นเหมือนใบไม้บนต้นไม้<อ>เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้เราห้ามร่างกายที่เกิดมาล้านี้ไม่ให้แ ก, แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้อพอเรา ม, ามีความรู้อย่างนี้แล้วเรา ม, ามีความสามารถที่จะเลิกไม่ใช้ร่างกายเป็นเครื่อง ม, มือในการหาความสุขได้ <du> เราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไป เพระเรายังสามารถมีความสุขได้ต่อไปเชนเวลาเราแก่เราไม่สามารถไปเที่ยวเหมือนตอนที่เราเป็นคนหนุ่มคนสาวได้แต่เราก็ยังมีความสุขดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวเองถ้าเราเข้าสมาธิเป็นถ้าเรารู้จักวิธีทําใจให้สงบเราก็สามารถใช้ความสงบของใจนี้ให้ความสุขกับเราแทนได้เพรนั้นร่างกายจะแก่เราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่ในโรงพยาบาลนอนติดเตียง ใจก็ยังสามารถมีความสุขได้เหมือนเดิมไม่ต้องใช้ร่างกายใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาเป็นผู้ที่คอยควบคุมใจไม่ให้ไม่ให้วุ่นวายไม่ให้อ่าไม่ให้ไม่ให้อยากเท่านั้นเองพอใจไม่วุ่นวายใจไม่อยากใจก็จะสงบแล้วพอใจสงบใจก็จะมีความสุขถ้าปฏิบัติอย่างนี้ได้ก็จะสามารถละสังขายญาทิทิฏฐิ ได้คือความอยากที่ความหลงที่ไปยึดไปติดว่าร่างกายเป็นตัวเราที่ทําให้เกิดความอยากอยากให้ร่างกายไม่แก่อยากให้ร่างกายไม่เจ็บอยากให้ร่างกายไม่ตายความอยากเหล่านี้ต่างหาที่เป็นตัวที่ทําให้ใจทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นเหตุที่ทําให้ใจทุกข์แต่อย่างใดแต่ใจที่อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้ต่างหา ที่ทำให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจในอริยสัจสี่ความทุกข์ใจมีเหตุความทุกข์ใจกือความไม่สบายใจความไม่มีความสุขในใจความเครียดความกังวลความวิตกควาวหวาดกลัวต่านี้เราเรียกว่าเป็นความทุกข์ความความเครียดความหวาดกลัวความทุกข์ต่างๆเหล่านี้เกิดจากความอยาก อยากให้สิ่งที่เราลักเราชอบอยู่กับเราเป็นนานๆแต่ความเป็นจริงสิ่งที่เรารักเราชอบคือร่างกายนี้มันอยู่ได้ชัว่วคราวไม่มีใครไปทำให้มันอยู่ไปได้ตลอดมันถึงเวลามันก็ต้องตายถึงเวลามันก็ต้องเจ็บถึงเวลามันก็ต้องแก่พอเรามีความรู้คือมีปัญญาเห็นความจริงว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากให้ร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เราก็หยุดความอยากนั้นเสีย <Yeah. S 1> พอเราหยุดความอยากไม่มีความอยากให้ร่างกายแก่เจ็บตายใจเราก็จะไม่ทุกข์น uh huh. ่างกายก็จะทุกข์ของมันไปตามธรรมชาติของคนแก่ของคนเจ็บของคนตายแต่ความเจ็บของร่างกายนี้จะไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะเหตุที่ทำให้ใจทุกข์นั้นได้ถูกกาจัดด้วยกำลังของสติของสติและปัญญา uh huh. สติก็จะห้ามใจไม่ให้ไปอยาก ไม่ให้ไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลาแก่ก็ยอมรับว่าต้องแก่เวลาเจ็บก็ต้องยอมรับว่าต้องเจ็บเวลาจะตายก็ต้องยอมรับว่าจะตายพอยอมรับความจริงเหล่านี้ได้ใจก็จะไม่ทุกข์ผู้ที่เห็นอริยสัจสี่ก็คือผู้ปฏิบัติรักสักายทิฏฐินี่ก็คือจิตใจที่ได้ฝึกฝนอบรมด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิ แล้วก็มาศึกษาปัญญาจากพระพุทธเจ้าก่อนเมื่อได้ปัญญาจากพุทธเจ้าแล้วก็เอามาเอาปัญญาที่ได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าอามาสอนมามองความจริงมองให้เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่มันมาจากพ่อแม่ส่วนจิตใจของเรานี่มาจากชาติก่อนชาติก่อนเราเคยมีร่างกายแต่พอร่างกายของชาติก่อนมันตายไปจิตใจของเราก็เลยต้องมาหาร่างกายอันใหม่เนื่องจากว่าจิตใจของเรามีความอยาก ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเราก็เลยมาหยุดความอยากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องพึ่งร่างกายเมื่อเราไม่ต้องพึ่งร่างกายได้เราก็จะไม่กังวลไม่ต้องเราก็ไม่วิตกว่าเวลาร่างกายแก่เจ็บตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราสามารถมีความสุขได้จากการทำจิตใจให้นิ่งให้สงบให้ระงับความอยากต่างๆที่มี่ในใจให้หมดไป อันนี้ก็คือวิธีการละสังโยชน์ข้อที่หนึ่งคือสักกายทิฐิการเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรามเมื่อเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วเราก็ห้ามมันไม่ได้ห้ามมาให้มันแก่แ ม, ม่นเจ็บแม่นตายไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อยากไปอยากเท่านั้นเองอการจะหยุดความอยากได้ก็ต้องเกิดจากการฝึกจิตตภาวนานี่เองจากการจเจริญสตินั่งสมาธิ เพราะถ้าเราจะเรินสติเข้าสมาธิได้เราก็จะมีกำลังหยุดความอยากต่างๆได้เวลาเราเข้าสมาธิจิตจะนิ่งจะเฉยความอยากต่างๆที่ทำงานอยู่ในใจก็ต้องหยุดทำงานไปชั่วคราวเพราะความอยากนี้ต้องอาศัยความคิดของจิตใจ <S 2> <S 2> เป็นเครื่องมือเช่นพอเราคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็อยากจะไปหาคนนั้นคนนี้ขึ้นมาคิดถึงเท่าของเงินทองก็อยากจะได้ขึ้นมาทันที ถ้าเราไม่ได้คิดถึงสิ่งต่างๆเหล่า น, นั้นความอยากได้สิ่งเหล่า น, นั้นก็จะไม่มีนี่คือสิ่งที่ทําให้เราหยุดความอยากได้ก็คือสติสติที่จะหยุดจิตหยุดความคิดให้จิตเข้าสมาธิพอจิตเข้าสมาธิได้จิตก็มีความสุขจากความสงบแล้วก็มีกําลังที่จะหยุดความอยากเวลาออกจากสมาธิมาพอ หยดความอยากขึ้นมารู้ว่าความอยากนี้เป็นเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็หยุดความอยากทำใจเฉยๆแก่ก็ทำใจเฉยๆกับความแก่เจ็บก็ทำใจเฉยๆกับความเจ็บตายก็ทำใจเฉยๆไว้อย่าไปอยากเท่านองอย่าไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแล้วใจจะไม่ทุกข์ใจก็จะอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายไปได้ เพราะการอยู่เฉยๆของใจนี้เป็นสุขอย่างยิ่งนั่นเองเวลาเราทําใจให้เฉยให้นิ่งได้นี้ใจจะมีความสุขในตัวของมันเองเมื่อมันมีความสุขในตัวของมันเองมันก็ไม่ต้องไปหาความสุขผ่านทางร่างกายต่อไป <c oughs> นี่คือการละสักกายทิฏฐิเมื่อละสักกายทิฏฐิได้ก็จะเห็นมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่ มีแก่แล้วก็ต้องมีเจ็บมีตายเป็นธรรมดา ä. สิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปไม่ใช่แต่เฉพาะร่างกายเท่นั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อันไหนมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเช่นมีใบไม้ใ บ, ไ ม, บไม้เกิดขึ้นมาเดี๋ยวใบไม้นั่นก็ต้องก็ต้องตายไปใบไม้ก็ต้องหลุดจากต้นไปต้นไม้ที่โผล่มาจากดินวันหนึ่งมันก็จะต้องล้มตายไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้จะต้องมีการสิ้นสุดลง นั่ว่า จ, จะเป็นสิ่งที่มีชีวิตเช่นร่างกายของมนุษย์ของสัตว์ในราชาอันก็ดีหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตต่างๆบ้านเมืองต่างๆที่เราสร้างกันในแต่ละยุคในแต่ละสมัยนะบ้านเมืองเราสร้างในสมัยสุขโขทยัยตอนนี้ก็กลายเป็นซากกลาหักพังบ้านเมืองที่เราสร้างกันขึ้นมาในยุคอยุธยาตอนนี้ก็เหลือแต่ซากต่อไปบ้านเมืองที่เราอยู่กันทุกวันนี้มันก็จะกลายเป็นซากไปไม่ช้าก็เร็ว นนี้เป็นธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้สิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเห็นว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่ต้องดับก็จะไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอยากให้มันไม่ดับเพราะถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้มันไม่ดับใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่ต้องการที่จะให้ใจทุกข์ก็อย่าไปอยากให้ในสิ่งที่เป็นของไม่เที่ยงให้มันเป็นของเที่ยงท่านเอง เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สั่งไม่ได้อย่าไปสั่งมันอย่าไปห้ามมันเพราะเราห้ามมันไม่ได้พออยากแล้วมันจะทําให้ใจเราทุกข์เนยก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยทุกข์ก็คือความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นในขณะที่เราไปเจอกับสิ่งที่เราไม่อยากเจอก็คือเช่นเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอความตาย ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกข์เพราะเราไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแต่พอเราใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่าร <he S 2> ่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้อยากยังไงก็ก็ทําให้มันหายไปไม่ได้อยากให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มันก็ทําให้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บหายไปไม่ได้อยากไม่ให้มันตายมันก็ทําให้ร่างกายไม่ตายไม่ได้พอรู้ว่าความอยากทําให้เกิดความทุกข์ใจ ก็ยอมรับความจริงยอมรับความจริงของของร่างกายว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็มีดับไปห้ามมันไม่ได้มันเป็นธรรมชาติเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพอเห็นด้วยปัญญาก็หยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ความทุกข์ก็หายไปไม่เดือดร้อนกับความเจ็บความตายของร่างกายอันนี้ก็เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นความจริงความจริงธรรมก็คืออะไรธรรมก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เอง ตอนที่พระเจ้าตัดสรุปแล้วเอาความรู้ที่พระเจ้าทรงตัดสรุปมาสอนก็สอนเรื่องนี้สอนเรื่องร่างกายแต่ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราที่เราไปทุกข์กับร่างกายเพราะเราไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นของเราไปตลอดแต่ความจริงแล้วมันมันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นของเราชั่วคราววันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปเป็นกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปพอเราเห็นด้วยปัญญา เห็นอริยสัจสี่ทำงานในใจเราเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความหลงดับไปด้วยปัญญาความจริงว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเราอยากไปอยากให้มันเที่ยงท่านันเองความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจก็หายไปก็เป็นเขาเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทันที เพราะว่าธรรมที่เห็นนี้เป็นธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงส อ, งอนตอนที่พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้ร่างกายของพระพุทธเจ้าตายไปแล้วแต่คําสอนของพระพุทธเจ้านี่ยังยังยั ง, ยงปรากฏขึ้นมาในใจของเราอยู่เ ร, เราก็เชื่อได้ร้อยเปอร์ซ็ต์ว่าพระพุทธเจ้านี่มีจริงคําสอนของพ ร, ระเจ้าคืออริยสัจสี่นี่ก็เป็นความจริงเป็นความสอนของของ พ, องพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ใช่ของคนอื่น ผู้เจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตตถาคตก็คือตัวพระพุทธเจ้าเองท่านทรงเรียกตัวพระองค์เองว่าตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้เห็นผู้ที่จะเห็นตถาคตก็คือผู้ที่เห็นธรรมนั่นเองผู้ที่เห็นธรรมก็ต้องเห็นธรรมจากการปฏิบัติจากการละสังโยชนละสกกายทิฏฐินก็จะละละสังโยชนข้อที่สองได้ก็คือ ควาลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะจะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่พระธรรมคําสอนเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านี้สามารถนามาใช้ดับความทุกข์ได้หรือไม่ไม่สงสัยจะไม่สงสัยพระอริยะบุคคลเกิดขึ้นได้หรือไม่นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วยังมีสาวกพระลา น, นี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไงก็ไม่สงสัยเพราะผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมผู้ที่ ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชาบนี่แหละก็คือพระอริยสง์สาวกขึ้นมะผู้ที่ล่สกกายะทิฐิได้ผู้นั้นก็จะเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งของของศาสนาก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีจริงหรือไม่แล้วแล้วมีในรูปแบบอย่างไรไม่ใช่มีแบบในรูปแบบที่เราเห็นที่เรารู้กันรูปแบบที่เรารู้กันนี้ไม่ใช่เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริง เช่นเราคิดว่าพ ร, พ, พระพุทธรูปคือพระพุทธเจา้าอันนี้ไม่ใช่แนละ้วพระพุทธเจ้ากับพระพุทธรูปนี้เป็นคนละคนกันพระพุทธรูปนี้เป็นเพียงแต่เป็นรูปเหมือนเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นของจริงพระธรรมคาสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้ก็ mm hmm. เ, เป็นเพียงตัวเลขตัวตัวอักษรเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นเป็นตัวธรรมะจริงๆตัวที่จะมาดับความทุกข์ในใจของเราได้ เราต้องเอาคําสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนี้เอามาเข้ามาใน ใ, นใจเราเท่านั้นถึงจะสามารถดับความทุกข์ในใจของเราได้ mm hmm. อย่านั้นเราจะเราจะรู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ในใจของเราอยู่ในใจที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนมีดวงตาเห็นธรรมจนสามารถละสักกายทิฏฐิ mm hmm. อกิเลสตัณหาข้อที่หนึ่งได้ mm hmm. แล้วเขาจะไม่ต้องไปประเทศอินเดียเพื่อไปไปกราบพระพุทธเจ้าที่นั่นพรารู้ไปที่อินเดียก็ไม่เจอพระพุทธเจ้าอยู่ดีก็เจอแต่สถานที่ท่านประสูติตัจรูแสดงธรรมครั้แ ง, งแรกแล้วก็รรผลิตนิพพานเป็นเพียงสถานที่ท่านั้นเองแต่ตัวพระพุทธเจ้าเองนี้ไม่ได้อยู่ในสถานที่เหล่านั้นแล้วแต่ยังแต่ตัวแท้ๆจริงๆของพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนพระอริยรสงสารวงนี้ ยังมีอยู่แต่มันมีอยู่ในใจของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสั่งคําสอนของพระเจ้าได้ก็จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆจากขั้นโสดาบันก็จะขึ้นขั้นสุคติกิราคามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์พอได้ร่าสั่งยศสองข้อแรกแล้วสั่งยศข้อที่3ก็จะตามมาผู้ปฏิบัติเห็นรู้ ว, ว, ว่าความทุกข์ใจนี้ เกิดจากการหาความอยากของตนเองถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็หยุดทำความอยากหรือหยุดการกระทาบาปเท่านั้นเองบาปเวลาเราทาบาปใจเราจะทุกข์ขึ้นมาใจเราจะร้อนใจเราจะไม่สบายขึ้นมาเวลาเราเกิดความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายใจเราจะทุกข์ขึ้นมาถ้าเราอยากจะให้ใจเราไม่ทุกข์เราก็เพียงแต่หยุดหยุดความอยากของเราหยุดการกระทาบาปของเรา ก็จะทำให้ลกสังโยชน์ข้อที่สามได้คือศีลัะพัฒปร r มา a คือความไม่มั่นใจในเรื่องของการรักษาศีลธรรมว่าศีลธรรมนี้มีความมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาหรือไม่ แต่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพิ่งผู้มีดวงตาเห็นธรรมจะเห็นทันทีว่าเวลาทำบาปปุ๊บนี้ใจจะทุกข์ใจจะร้อนขึ้นมาทันทีแล้วตายไปความทุกร้อนของใจนี้ก็จะกลายเป็นอบายไปไปจะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปกลายเป็นเปรตกลายเป็นอนสุลกายกลายเป็นนรกขึ้นมาผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ก็จะก็จะไม่ก็จะละศีลละพัฒนคือความลังเลสงสัยใน การรักษาศีลว่าคนจะรักษาหรือไม่อย่างไรจะรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตนพระโสดาบันและพระอริยบุคคลทุกระดับนี้จะรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตเห็นความสาคัญของศีลเพราะศีลนี้เป็นผู้ที่จะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ถ้าทําถ้าทําบาปแล้วถึงแม้ร่างกายจะอยู่ต่อไปได้แต่จใจทุกข์มันก็ได้แบบไม่คุ้มเสีย เช่นเราอดอยากขาดแคลนไม่มีข้าวกินเราก็เลยไปขโมย อ, อาหารมากินอย่างนี้เราก็ทําบาปเราได้อาหารให้เลี้ยงดูนั่งกายให้อยู่ต่อไปได้แต่เราจะมาสร้างความทุกข์ในใจของเราให้เกิดขึ้นทำให้ใจของเราไม่สบายทำให้ใจของเรากลายเป็นสัตว์เดเรัจฉานไปอันนี้พระอริยบุคคลทุกองค์จะเห็นความสำคัญของการรักษาศีล น, น, นี้ก็คือการลาสัโยชน์สามข้อแรก ซึ่งมักจะละมันจะเกิดขึ้นพร้อมๆตามกันมาโดยการละสักกายทิฏฐิเป็นหลักให้รักให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราให้เห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับมันพอพอใจไม่ทุกข์ก็จะเห็นอริยสัจสี่อเมื่อกี้ใจเราทุกทุกเพราะอะไรทุกเพราะความอยากอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พอเราเห็นด้วยปัญญาคือมั้กว่าร่างกายไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้เราก็หยุดทำอยากไม่ไปอยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความทุกข์ก็หายไปก็ทําให้เรานี้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาไม่ดังไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์รักสักกายยัติทิฏฐิได้ก็จะมีดวงเาเกิดจากการมีดวงตาเห็นธรรม เห็นธรรมก็จะเห็นว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากการหาความอยากความทุกข์ใจเกิดจากการกระทาบาปก็จะไม่ทําบาปอีกต่อไปจะรักษาศีลอย่างอย่างเค่งัดไปตลอดชีวิตถ้าถ้าจะต้องต้องตายไปเพื่อรักษาศีนท่านก็จะรักษาศีนถ้าไม่รักษาร่างกายเพราะรู้ว่าร่างกายรักษาอย่างไรก็รักษาไม่ได้เมื่อถึงเวลามันก็ต้องตายไปในที่สุดนั้นการปฏิบัติทําขั้นแรก การบรรลุธรรมขั้นแรกคือขั้นพระโสดาบันนี้ต้องมุ่งไปที่การศึกษาเรื่องของร่างกายเพราะเป็นร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นจิตเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้มาครอบครองร่างกายเพียงชั่วคราวที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ไปทุกข์กับร่างกายเพราะเราเป็นหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วเพราะว่าเราต้องใช้ร่างกายอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในหาการหาความสุขผ่านตัตาหูจมูกนิ้นกาย ก็เลยทำให้เราต้องยึดติดกับร่างกายต้องอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเวลาร่างกายแก่เจ็บตายมมันจะไม่สามารถตอบสนองตันหาความอยากของเราได้นั่นเองแต่เมื่อเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติเราก็สามารถเปลี่ยนวิธีการหาความสุขจากการใช้ร่างกายมาเป็นการใช้สติใช้ปัญญาคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดหยุดความอยากพอไม่มีความคิดไม่มีความอยากใจก็เกิดความสุข ข, ขึ้นมา ใจก็สามารถเปลี่ยนวิธีหาความสุขแทนที่จะต้องพึ่งร่างกายก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายพอไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็ บ, จ ะ, จ, บจะตายเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะสามารถปล่อยได้ปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปตามธรรมชาติของมันพอเราปล่อยได้แล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไป mm hmm. นี่ก็คือการละสังโยชน์สามข้อมันจะมันจะตามกันมาพอละ ข้อที่หนึ่งได้ละสังโยดได้ก็จะมีดวงตาเห็นธรรมที่ละได้ก็เพราะมีดวงตาเห็นธรรมเมื่อมีดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระอริยสงฆ์เป็นบุคคลปรากฏขึ้นมาอยู่ภายในใจหรือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงธรรมอริยสัจ ส, สี่ธรรมอริยสัจ ส, สีนี้คือเครื่องมือที่จะมาใช้ดับความทุกข์ใจและผู้ที่ใช้เครื่องมืออาริมาดับความทุกข์ใจก็คือพระอริยสงฆ์สาวกอื่นก็คือพระโสดาบันนี่ นี่แหละคือเรื่องของการการปฏิบัติบูบชาปฏิบัติบูชาเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆเบื้องต้นก็กำกจัดความทุกข์ในระดับพระโสดาบันก่อนในระดับเรื่องของร่างกายเรื่องของความรักตัวตัวรักตัวกลัวตายความไม่อยากแก่ไม่ยไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไปพอผ่านข้อนี้ไปแล้วก็ไปละสังโยชน์อีกสองข้อคือการมราคะกับปฏิคะการมราคะก็คือความอยากมีความสุข อยกร่วมเพศกับบุคคลอื่นนั่นเองก็ต้องสอนใจว่าร่างกายมันไม่สวยไม่งามอย่างที่เราเห็นนะเพราะมันมีส่วนที่ไม่สวยอยู่ภายใต้ผิวหนังก็ให้ดูอาการสาสสองของร่างกายถ้าเห็นอาการสามเมื่อไหร่ความอยากจะเสพการอยากจะร่วมเพศมันก็จะหายไปก็สามารถละสังโยชน์ข้อที่อีกสองข้อได้ก็คือการมาลาค้ากับปฏิฆะถ้าละถ้าละได้ ทำให้เบาบางก็ได้ขั้นที่สองคือขั้นสกิดาคามียังทำให้มันน้อยลงแต่ยังทำให้ไม่หมดคือการมาราคะกับปฏิฆะคือความหงุดหงิดใจแต่ถ้าทำให้การมาราคะและปฏิฆะหายไปได้หมดร้อยเปอร์เซน์ก็บรลุเป็นขั้นที่สามคือขั้นภานาคามีพอเป็นภานาคามีแล้วก็จะไม่มีความยึดติดกับร่างกายเดี๋ยวไปไม่มีความต้องการที่จะมีร่างกายไม่ต้องการมีร่างกายของคนรือมเสพกายต่อไป พระกรมะผ้านาคามีก็จะไม่กลับมาในโลกของมนุษย์นี้อีกต่อไปจะไม่กลับมาเกิดจะไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้น <c oughs> ชั้นสุดทาวาสห้าชั้นด้วยกัน <c oughs> มีอยู่ห้าชั้นแล้วก็ไปไ ป, ไปปฏิบัติเพื่อละสังโยชน์ที่เหลืออีกห้าข้อด้วยกัน <c oughs> แล้วพอละสังโยชน์ที่เหลืออยู่ห้าข้อได้ก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาพอได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วก็จะไม่มี ไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีสังโยชน์ที่ผูกมัดมจิตใจให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไปจิตใ จ, จก็จะหลุดออกจากสังสารวัฏหยุดออกจากวติวติแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีการกลับมาเกิดอีกต่อไปจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระหลานนี้อยู่ที่นิพพานแทนนี่คือผลที่จะได้จากการปฏิบัติบูบชาที่เป็นผลที่เลิศที่สุดในในการบูชาระหว่างอามิสสบูชาและปฏิบัติบูบชา อามิสบูชาก็จะทําให้ผู้ก็ะทำอามิสบูชาได้ได้ไปสวรรค์หกชั้นด้วยกันสวรรค์ชั้นเทพมีอยู่หกชั้นด้วยกันอันนี้สองที่เกิดจากการทําอามิสบูชาคือทําบุญทําทานทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาแล้วก็รักษาศีลห้าไม่ทําบาปก็จะทําให้ผู้ที่ได้ทําอามิสบูชานี้ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นชั้นเทพหกชั้นแต่ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอยู่เรื่อยๆ ถ้าอยากจะให้ขึ้นไปถึงพระนิพพานไม่ให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้อง ก, กระทาการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาก็ต้องถือศีลของนักบวชตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปแล้วก็ไปหาสถานที่สงบสงัดวิเวกอยู่ตามลาพังเพื่อจเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อหยุดความคิดหยุดความอยากให้ได้แล้วก็ใช้ปัญญามาสอนใจให้ละความอยากเพราะความอยากนี้เป็นเหตุที่พาให้จิตใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆนั่นเอง พอหยุดครั้งอยากได้หมดไปจากใจใจก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันนี้ก็คือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติบูบชาพระเจ้าจึงทรงยกย่องว่าการบูชาที่ที่เป็นบูชาที่ยอดที่สุดดีที่สุดก็คือการปฏิบัติบูบชานี่เองก็คือเรื่องของเรื่องราวของความเป็นมงคลของวันนี้ที่เอามาฝากท่านในวันนี้คือการ การบูชาสองชนิดด้วยการอาบิสบูชาและปฏิบัติบูชาก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรอยะถาวาริวหาปุราปริปเรนติสาขลงเอวามวาอิโตทินังเปตานังอุปกาปติ คิดต่างปฏิทัางตุมหังคิดเป็นวาสุิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราสสยธามณิโชติอระสสยธาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพโลกวินาศตุมาเตภวตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะ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 เป็นช่วงเดียวที่สะดวกที่สุดอย่ามาถามตอนที่เราเลิกแล้วเพราะจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้เดี๋ยวเรามีชาวต่างชาติมาอาจจะต้องถามปาัญหาให้ชาวต่างชาติก็ถามก่อนนะวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตสามร้อยสิบคนทาง YouTube พระสุชาติไลฟ์สามร้อยสาสิบเอดคน YouTube d กเตอร์วีชานเจ็ดสิบหวิทยุออนไลน์สิบสามคลับเฮ์ห้าผู้รับฟังธรรมะนากุติ2อ4ยี่สิบสี่และผู้รับฟังทั้งหมดเก้าร้อยห้าสิบเก้าคนครับโอเค To our foreign visitor, do we have any? Do you have any question you like to to ask? You, you do. May I record? Sure, sure, you can. Can I put this close to you? You have to put it close to the the speaker because oh, okay. there's a speaker behind you. You can put it there. Okay. Thank you. Yeah, to talk close to the microphone, okay. Oh, that was my question. But I think people in our group h a v e questions. Okay. Yeah. Okay. Whoever well, w we a n t to ask, please send the microphone to them. The microphone. Hello. Oh. h i a John. Um. Uh, I have a question about meditation. So uh, recently, in my meditation, I um, experience d a lot of—not a lot, but very persistent angry thoughts. Um, it's not intense, but it's very persistent, um, and it usually, it usually come up when I see the person again, or when I maybe see them on Facebook, or um, when I think of the person. Um, and it feel like an itch. Like when I think about it, I get some satisfaction from the itch, um, but it never really go away. And I feel like it been going on for a few months. So I want to know how to work with that. Thank you. When you meditate, it's normal to have this thing happening. Because your mindfulness is not strong enough yet, so it, your mind can be distracted by these events that happen. In order to prevent your mind from being disturbed, you might have to use a mantra and stay, keep reciting the mantra first. Just keep reciting buto buto buto buto when you meditate until all the distractions disappear. Then you can switch to watching your breath. But in in whichever case, you must when you meditate, you have, you must be doing something with mindfulness. You cannot just sit t h e r e and let things happening. So you either have to recite the mantra when you meditate, or if you can watch your breath, watch your breath at the tip of your nose. Don't you don't have to follow the breath in or out. Just watch it at the point of contact. When it comes in, when the when the air comes into the body, it contact the the nostril or on the tip of your nose. Just focus on that point of contact. Then your mind will be concentrated, focused, and any distraction that appears will not bother you. So the problem right now is that your mind doesn't have enough mindfulness, doesn't have enough focus or concentration to prevent your mind from reacting to all this. Distraction that come up during meditation. So, you can either if you can recite a verse, chant something. You can use that also when you start your meditation, because when you start your meditation, your weak, your mindfulness is very weak, and it can be easily distracted by anything that appears. So you can use chanting. You can use reciting the mantra. To reinforce your mindfulness, to make it become stronger, and then when your mindfulness becomes stronger, then you will not be bothered by the i s by the by the distraction that comes up. Okay. Um, can I ask a quick follow up question? Sure, sure, go ahead. So usually after 20 minute or so, it will fade away, but the thing that it it just come up again and again. Um, This is normal. Someone. This is the creation of the defilement. The defilement wants to prevent you from meditating, so it's trying to find excuses for you not to meditate. Right. So make you discomfort, make you feel uncomfortable, so you want to give up meditation. So you have to be persistent in your mindfulness practice. Just focus on your mindfulness, on your object of mindfulness, either the mantra or your breath. Or chanting something, keeping the mind busy. When the mind is busy, then it, it cannot be easily distracted. Thank you, j a h n Hi, d o n a John. Thank you for taking questions. Um, I started practicing five years ago and had a lot of benefit and. When I practice more on retreat or go to the monastery, I am no longer interested in being with my husband. And when I met nuns for the first time, I became immediately very moved. But it feels like when I'm not on retreat, when I'm just With my husband in my daily life, I get pulled away from meditation practice and from d h a m m a I still think about d h a m m a and I'm mindful, and it's still in my um, mind. But it's like I'm not as consistent or or diligent. And then when I get away, then I'm good. And I don't know right now if this is just mental proliferation. That's a problem. Or if there's truly something I should do. Well, it depends on what you want. You have to decide. You cannot have both of them. You cannot have your husband and then meditate at the same time. So if you want to meditate, then you have to go live alone. If you live with your husband, then the, the, the attraction of sensual pleasure is too strong for you to resist. So you have to stay away from sensual objects like your husband. And go live in the forest, live in a secluded area where you don't have any sensual objects to distract you. Then you can focus on your meditation practice. So right now you might have to do a zigzag, stay a few days with your husband, stay a few days away from him, back and forth, until you find the strength to leave him altogether. Then you can become a nun or, or a b i k u n i Thank you. ขอบคุณอาจารย์กลับนมัสการท่านค่ะขอเลี่ยนถามว่าในเมื่อกายกับจิตเป็นฝาแฝดกันแล้วดังนั้นจิตก็สามารถยมคิดเองนะคะว่าจิตสามารถเป็นอนัตตาได้แล้วในการปฏิบัติเนี่ยเราขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะสามารถเห็นจิตเป็นอนัตตาได้หรือเปล่าค่ะสองคำถามค่ะคือเราต้องปล่อยร่างกายให้ได้ก่อนปล่อยวาง อย่าไปเห็นร่างกายว่าเป็นตัวเราอพอเรารู้แล้วร่างกายไม่ใช่ตัวเราแล้วก็กลับมาดูที่จิตแล้วแล้วถ้าจิตมันไปคิดว่ามันเป็นตัวเราเราก็ต้องใช้ธรรมะคืออนัตตามาสอนวนะ่าจิตก็ไม่ใช่จิตก็ไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นเพียงธาตุรู้ที่มีความสามารถที่จะคิดที่จะนึกที่จะรู้อะไรได้แต่ความหลงมันหลอกให้ไปคิดว่านี่คือตัวเราเวลาเราทําจิตให้สงบนั่งสมาธิพอจิตหยุดคิดปั๊บตัวเราก็หายไป เราต้องนั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นเป็นอัปปนาสมาธิจิตนิ่งจิตว่างแลตอนนั้นเราก็จะเห็นจิตตัวจิตที่แท้จริงตัวจิตที่ไม่มีตัวรู้ไม่ไม่ไม่มีตัวตนมีแต่ตัวรู้แต่ไม่มีตัวตนแต่พอจิตออกจากสมาธิมาความคิดมันก็จะคิดตัวตนขึ้นมาสันทีงั้นเราต้องฝึกสติฝึกนั่งสมาธิบ่อยๆจนกว่าจนกว่าเราจแยกตัวตนออกจากตัวรู้ได้ทีหนึ่ง แต่ตอนเบื้องต้นต้องต้องแยก ต, ตัวรู้ออกจากร่างกายก่อนถ้าเราแยกร่างกายไม่ได้เราจะไปแยกตัวรู้ในตัวตนในจิตยากเนี่ยมันยากกว่า<ม>ต้องทําเป็นขั้นตอนนะพระเจ้าถึงสอนให้ละ ก, กายก่อนแล้วค่อยไปละ<ม>จิตอีกทีนึงนะโอเคอันนั้นเป็นสังโยชน์เบื้องบนเนี่ยมันต้องให้ละสังโยชน์เบื้องเบื้องล่างเกี่ยวกับร่า ง, งกายก่อนฮ ห, ห้าข้อแรกนี่เกี่ยวกับร่างกาย แล้วที่เหลือก็เกี่ยวกับจิตใจตัวอัตตาตัวตน ต, ต, ต, ตัวมานะที่อยู่ในอยู่ในใจก็ต้องละมาให้ได้ Thank you Tanajan for taking questions um, In my daily life I see ill will and aversion a lot and I um, observe the reactions I observe And there doesn't seem to be anything behind it. It seems to be just habit. And I'm looking for guidance on how to break that pattern. You have to stop them by using mindfulness. So in your daily life, you should practice mindfulness first. So you have the the strength to stop your aversion when they come up later on. If you don't have mindfulness, you won't you will not be able to stop your aversion when they come up. Your aversion or your attraction. Your love or your hate, they keep coming up all the time. Without mindfulness, you cannot stop them. So you have to practice mindfulness all the time during your waking hours, from the time you get up to the time you go to sleep. Try to focus your mind on on one thing, such as your body. Keep watching your body all the times. Or you can recite a mantra like butto butto. This will prevent the mind from from. Creating aversion or attraction or anything, really. Then, when you have enough strength, when the aversion come up, you can stop it right away. But you can only stop it uh, temporarily with mindfulness. If you want to get rid of aversion permanently, you have to use wisdom. You have to look at the things that you have aversion for as being a natural process, something that you cannot. Prevent it from happening, coming up, appearing, or disappearing. Then you learn to t e a c h your mind just to let go. Let the things that you have aversion come and go as they like. Then you will have no aversion toward anything after that. When you see everything are natural processes, they are like wind, they are like rain, they are snow. You cannot you cannot control them. They come and go as they like. So it's wasting your time to have love or hate for them, because it's not going to change anything anyway. Thank you. Okay, the Buddha said Anatta, s a p e t a m a Anatta. Everything are natural processes, not under anybody control, not under your control, not under my control. They come and go as they like. So let them come and go as they like. Okay. Then you will have no no problem with them. Wonderful. Thank you, a j a n Okay. Anybody else? y e s Okay. Maybe i k ah, that's l o p Can that? Thai can. e n g t i s h can. La m a s k a n i n g to learn bilingual. Two languages. La Masakan. Lord. P. Is. หนูมีคำถามว่าหนูหนูใช้สติซึ่งเจอกับคนที่ใกล้ตัวอย่างเช่นที่แบบอารมณ์เสียตลอดเวลาหนูใช้สติคือไม่ตอบไม่โต้ไม่พูดทุกครั้งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหนูไม่ได้โกรธ mm hmm. หนูพ่อช่วยชี้ทางให้หนูหน่อยคะ่ะถ้าอยากจะหายโกรธก็ต้องมองให้เขาเห็นว่าเขาเป็นเงินดินฟ้าอากาศเราไปเปลี่ยนทอไม่ได้ที่เราก oid เเพราะเราอยากจะให้เขาทาอย่างนั้น mm hmm. ทาอย่างนี้ เราก็ไม่ทําอย่างที่เราอยากได้เราก็เลยโกรธเขา <ทำ S 1> แต่ถ้า เ, เรามองเขาว่าเขาเป็นวัตถุดินฟ้าอากาศแล้วก็เปลี่ยนเขาไม่ได้หรือมองเขาว่าเป็นผลํไม้ก็ได้เขาเป็นสัพพนุษแต่เราอยากจะให้เขาเป็นกล้วย อ, อยากไปจะวันตายมันก็ไม่เป็นมันก็เป็นสัพพนุษอยู่นั่นะ ก, ก็ปล่อยให้เป็นสัพพรุษไปสิกระทั้ทนเองค่ะเขาอยากจะเมาเขาปล่อยเขาเมาไปเขาอยากขี้เกียจก็ปล่อยเขาขี้เกียจไปถูกต้องค่ะแล้วก็ข้อที่สองก คือหนูรู้แล้วทําเป็นไม่รู้เพื่อให้เขาสบายใจหนูโกโหกแล้วหลอกลวงไม่ใช่คะ่ะรู้ผิดไหมผิดศีลไหมถ้าหนูไม่ได้พูดอะไรก็ยังไม่ผิดศีลอ๋อแบบพูดค่ะแต่ไม่ได้พูดแบบเออ อ, อหอหมกอะคะ่ะถ้าไม่ได้พูดความจริงก็ผิดก็ก็โกหกก็ อ, อ, อ, อย่าพูดเท่านั้นเองแค่ยิ้มยิ้มไปเอาไปยิ้มยิ้มไปเอาให้หนูยิ้มเออ เฉยๆไปยิ้มๆไปโบเบขาไปออแล้วแต่เธอเธออยากจะทําแล้วทําไปไม่ใช่เรื่องของฉันอืมไม่ไม่ต้องทําเป็นเออเอาหอหมกไม่ต้องไม่ได้หรอต้องยึดยึดศีลธรรมเป็นหลักนอย่าไปยึดเขาถ้าเราไปยึดเขาเราก็จะเสียศีลธรรมเพราะเราเกงใจเขาอหลวงตามหาบัวท่านบอกท่านไม่เกงใจใครท่านเกงใจทำถ้าไปถ้าเกงใจคนทําก็แหละ เขาอยากจะรักษาธรรมก็ต้องไม่เจรงใจเข า, ขาเขาจะไม่ชอบเราเขาจะเกลียดเราเพราะเราพูดความจริงก็เล่าแล้วแต่เขา<อ>แต่ถ้าเราคิดว่ า, าพูดความจริงไม่ได้เราก็อย่าไปพูดเท่านเฉยๆไปอหนูยิ้มยิ้มไปยิ้มยิ้ไปเฉยๆไปแ<ช>ผด<ช>ไมตตาไปเจ้าค่ะไม่ตอบ ย, ยิ้มอย่างเดียวไม่ตอบไม่โตอุเบกขาไปเจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้สองคับ่งครัเชิญ คำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิครับคำถามแรกเป็นภาษาอังกฤษครับหลวงพ่อ mm. Dear พระอาจารย์ When we are trying to go inwards to develop samadhi and maintain continuity of mindfulness to cut down on socializing what should we do when others speak to us or want to engage in conversation how do we not be too cold or withdrawn and yet not encourage them tell the truth You want to be alone. You want to meditate. You're not here to socialize. Yeah. The best way is to go live in a place where you don't have to socialize in the first place. จากท่านที่สองผู้รับฟังหน้ากุฏิครับขอกราบเรียนพระอาจารย์ขอคําแนะนําอบรมคนที่เป็นไบโพล่าครับแล้วก็วิธีการที่ทําให้คนในบ้านหายจากการเป็นทุกข์ใจครับ ก็าการไม่มีสตินี่ไม่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้อารมณ์มันเปลี่ยนไปเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ชังเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็เกลียดแต่ถ้าเราฝึกสตินี่เราสามารถที่จะทําให้ใจเฉยๆได้ไม่รักไม่ชังไม่ชอบไม่เกลียดได้อาการไบโพล่าก็จะหายไปต้องพยายามพยานยฝาึกสติเช่นเหมืนโรยการพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันอย่างเงี้ยแล้วต่อไปใจของเราก็จะนิ่งใจของเราก็จะไม่เกิดความรักชังโกรธหล่นขึ้นมา อันนี้เป็นสิ่งที่ทํำเราจะหายใบโพล่าจะหายแต่มันยากเพราะการเจริญสตินี้ต้องมีความตั้งใจมีความพยายามจริงๆ uh huh. ส่วนคนที่ไปทุกข์กับเขาก็ต้องมองว่าเขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศ uh huh. เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้อันนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็ปล่อยเขาเป็นไปคิด uh huh. ว่าเหมือนกับเลี้ยงสุนัขตัวหนึ่งก็แล้วกันสุนัขมันจะขี้ตรงนั้นเยียวตรงนี้ก็เราก็ห้ามมันไม่ได้เราสอนมันนะมันไม่ฟังก็ต้องปล่อยมันไป ใช้ความเมตตาใช้ความเมตตาให้อภัยเขาอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากจะให้เขาเป็นเพราะถ้าเขาไม่เป็นแล้วจะทำให้เราทุกข์ใจต้องยอมรับความจริงของเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้ก็พยายามดูแลเขาไปช่วยเขาไปถ้าที่เราจะช่วยได้มีไหมมีครับจากท่านที่สามผู้รับฟังหน้ากุฏิมีสองคำถามครับคำถามแรกเมื่อมองไตรลักษณ์พอลงอนิจจังเห็นสุขทุกข์เกิดมาดับไป ขอแนวทางในการดําเนินชีวิตครับอย่าไปยึดติดสิ่งที่เกิดที่มีสุขมีทุกข์นี่เช่นลาบยศสารเสริญสุขนี่มันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์เวลาเจริญก็มีความสุขเวลาเสื่อมก็จะมีความทุกข์ถ้าเราอยากจะไม่เจอกับความทุกข์เราก็อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปอยากได้ลาบยศสารเสริญสุขอยู่แบบพระเนี่ยอยู่แบบไม่มีอะไรมีแค่ปัจจัยสี่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอ ใจก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่า น, นั้นวันนี้เอาเฉพาะคำถามที่ <c oughs> ท, ที่ที่นี่ท่านนะพาเวลาใช้จะหมดนะคำถามสุดท้ายครับในการฝึกสมาธิปฏิบัติเหมือนตอนหลับตาเพื่อนอนหลับแต่ระลึกพุโทโธและอยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นไหมครับหากเป็นสมาถะและวิปัสสนาครับควรจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่าถ้าใช้พุโทโธก็ไม่ต้องดูลมถ้าดูลมก็ไม่ต้องใช้พุโทโธมันจะสะดวกกว่าง่ายกว่า การที่เราจะใช้สองอย่างรวมกันแล้วถ้าเราถ้าเรามีพุทโธพุทโธจิตเราก็จะนิ่งจะสงบจะยังไ ม, ไม่ยังไม่ใช่เป็นวิปัสสนาเป็นสมถะคือทำจิตใจให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิวิปัสสนาต้องอีกขั้นหนึ่งหลังจากที่ออกจากสมาธิมาพิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายนี่เรียกว่าวิปัสสนาเห็นว่าร่างกายเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราอันนี้วิปัสสนาคนละขั้นกันเอาแล้วนะวันนี้สำหรับเวลาเราก็หมดพอดีก็ต้องขอยุติการแสดงการสนานา ร, รมไวเพียงเท่านี้ <c oughs> ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ